บันทึกพิเศษท้ายบทเพื่อความเข้าใจลึกลงไปเฉพาะเรื่องบันทึกที่หนึ่งความสุขจัดเป็นคู่คู่ความสุขที่แสดงไว้เป็นคู่คู่ในอังคุตรณนิกายทุกกานิบาตไขความตามคำภีมโนระถาปุรณีอัทธกถ า, าแห่งอังคุตรณนิกายมีดังนี้หนึ่งขีหิสุข สุขของข้ารือหัดหรือสุขของชาวบ้านกับบรรพชาสุขหรือบรรพชิตสุขสุขในชีวิตการบวชหรือสุขของนักบวช 2. กรร ม, มาสุขสุขเกิดจากกรมกับเนคขมสุขสุขเกิดจากความปลอดโปร่งจากกรมหรือจากความสละออกไม่โลภ 3. อุปทิสุขสุขกลัวทุกข์ได้แก่สุขในไตรภูมิหรือโลกิยาสุขกับนิรุปทิสุขสุขไม่กลัวทุกข์ได้แก่โลกุตระสุขสศาสวสุขสุขก่ออาสวะกับอนาสวะสุขสุขไม่ก่ออาสวะหรือสุขไรอาสวะ ห้าสามิสุขสุขอิงอามิตรสุขอาศัยเหยื่อล่อสุขขึ้นต่อวัตถุสิ่งเสพหรือสุขทางเนื้อหนังกับนิรามิสุขสุขไม่อิงอามิตรสุขไม่ต้องอาศัยเหยื่อล่อหรือสุขไม่ขึ้นต่อสิ่งเสพหกอริยสุขสุขของพระอริยะกับอนาริยสุข สุขของผู้ไม่เป็นอริยะคือสุขของปุถุชน 7. กายิกาสุขสุขทางกายกับเจตสิกสุขสุขทางใจแปดสปีติกาสุขสุขเจือปีติได้แก่สุขในฌานที่หนึ่งและที่สองกับนิปีติกาสุขสุขไม่เจือปีติ ได้แก่สุขในฌานที่สามและที่ส 9. ่าสาตะสุขสุขมีรสชื่นสุขในฌานสามขั้นต้นกับอุเบกขาสุขสุขเกิดแต่อุเบกขาคือสุขเมื่อจิตได้ดุลเต็มที่มองดูเฉยยังเป็นกลางพร้อมที่จะเห็นตามเป็นจริงและวินิจฉัยโดยถูกต้อง สเสมือนคนมีปัญญาผู้มองจากนอกเหตุการณ์ท่านว่าได้แก่สุขในฌานที่สี่สสมาธิสุขสุขเกิดจากสมาธิไม่ว่าอุปจาระหรืออัปนาก็ตามกับอาสมาธิสุขสุขที่ไม่ถึงสมาธิสิบอ ปีติการมณสุขสุขเกิดแก่ผู้พิจารณาฌานสองขั้นแรกที่มีปีติกับนี้ปิติการมณสุขสุขเกิดแก่ผู้พิจารณาฌานที่สามและที่สี่ซึ่งไม่มีปีติ12สาตารมณสุขสุขเกิดแก่ผู้พิจารณาฌานสามแรกที่มีรสชื่น กับอุเบกขาเรามณสุขสุขเกิดแก่ผู้พิจารณาฌานที่สี่ซึ่งมีอุเบกขา13รูปารามณสุขสุขมีรู ป, ปรธรรมหรือรูปฌานเป็นอารมณ์กับอรูปารามณสุขสุขมีอรูปรธรรมหรืออรูปฌานเป็นอารมณ์ แต่ละคู่มีคำสรุปท้ายว่าสุขอย่างหลังเป็นเลิศหรือยอดเยี่ยมกว่าอันหนึง่งพึงระลึกไว้ด้วยว่าอุเบกขาที่กล่าวถึงในสุขข้างต้นนั้นไม่ใช่อุเบกขาเวทนา